t that. ค, ครับมาพูดมาม า, มาคุยกันต่อนะครับ ه, ในเรื่องของอครมอ สัญจรนี่ท่านที่สนใจนี่ติดตามนะครับติดตามอาการรายงานของอสถานีโทรทัศน์ช่องช่องส1กเอ็ดกรมพิสัมพัธ์นี่ก็คงจะต้องรายงานวันที่ 23-24 กรกฎาคมนี่นะครับนะว่าะจะมีรายละเอียดอย่า ง, างไรโดยเฉพาะวันที่23นี่ก็เป็นกิจกรรมที่ที่นายงตีและคณะไปไปชมกิจกรรมของชุมชนต่างนะครับทั้ง ทางด้านศูนย์การเรียนรู้ผักอินทรีย์บ้างนะครับนะหรือว่าศูนย์แพทย์แผนไทยอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการกิจกรรมที่จะมาะเปิดเทศกาลแห่เทียนพันษานะครับ ท, ที่ที่อุบลส่วนวันที่24ถึงจะเป็นการการประชุมนะครับนะในช่วงเช้านี่ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัด อ, อีสานตอนล่าง สองก็คง เ, เป็นกลุ่มแถวอุบลแถวยะโสแถวอำนาจเจริญนะครับนะแถวอำนาจเจริญนะแัแถวนั้นนะครับสีสกเกตแถวนั้นนะครับแล้ในช่วงบ่ายข อ, ของวันที่24ถึงจะเป็นการประชุมคอลมอสัญจรที่มหาวิทยาลัย อ, อุบลรัชธานีนะคคงจะต้องอติดตามดูกันนะครับว่าจะเป็นเป็นอย่างไรมีความคืบหน้าอย่างไรมาดูเกี่ยวกับเรื่อง ยุทธศาสตร์น้ำนะครับแต่ซึ่งตอนนี้รัฐบาลนะโดยกระทรวงกรเกษตรนะครับแล้วก็ในส่วนของหลายๆกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องน้ำานี่ะครับนะก็มียุทธศาสตร์น้ำใช้งบประมาณประมาณ 60,000 กล้านนะครับ้านล้า น, นซึ่งจากการเปิดเผยของพลเอกฉัดชยัยสาริกัญญะรองนายกมรัฐมนตรีนะครับในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญภายใต้คณะกรรมการทรัพยากร น, น้ำแห่งชาติก็บอกว่ามีแผนที่จะยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากร น, น้ำา20ปีนะครับนะวางกันไว้อย่างนั้นตั้งแต่ปี2561ถึง2580มีโครงการบริหารจัดการน้ำที่สำคัญ300กว่าโครงการ จากการเปิดเผยของรองนายกนะครับโดยเฉพาะในช่วง5ปีแรก 2,562 ถึง 2,565 ก็จะมีโครงการขนาดใหญ่ใช้งบประมาณเกิน 1,000 ล้านขึ้นไป31โครงการแบ่งเป็นภาคเหนือ4โครงการภาคกลาง13โครงการอีสานภาคอีสาน10โครงการภาคตะวันออก2โครงการภาคใต้2โครงการนะเป็นรายละเอียดนะครับอย่างเช่น มีการใช้งบประมาณในปีสองพันห้าร้อยนี่มี9โครงการรวมงบประมาณที่ใช้ประมาณ 69,00 ืล้านนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าทําเสร็จก็จะกักเก็บน้ําได้สามร้ดสิบล้านลูกบาทเมตรอย่างเช่นมีโครงการบรรเทาทุกขภัยเมืองนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็จะมีโครงการที่2คือโครงการพัฒนาลุ่มน้ําห้วยหลวงตอนล่างที่หนองคาย นะครับอันที่สมีโครงการประตูระบายน้าสีสองรักนะรที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะแล้วก็ยังมนะีโครงการประตูระบายน้าน้าพุง่งน้ํากำาที่สกลนครอันที่5ก็มีโครงการประตูระบายน้าบ้านก่อที่สกลนครหกนะก็เป็นโครงการอ่างเก็บน้ําลําชี อันเนื่องมาจากพระราชมรินะครับที่ที่ชัยภูมินะครับอันที่7ก็เป็นโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมนะิระยะที่1เพราะว่าชัยภูมิเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของขอ ง, ของน้ําท่วมนะครับอันที่8ก็เป็นโครงการอ่างเก็บน้ําลําสะพุงตอนล่างที่ชัยภูมิเหมือนกันนะเก็เป็นโครงการของระบายน้ําบางบานบางไสที่อยุธยานะซึ่ง 9โครงการก็จะเริ่มดําเนินการปี2562เพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภัยน้ําท่วมเป็นหลักแล้วครับนะไม่ว่าจะเป็นแถวนครศรีธรรมราชแถวชัยภูมินะครับแถวสกลนครนะแถวอยุธยานะครับเป็นพื้นที่ที่เจอมรสุมเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมมาก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ในรองนายจุมงตรีก็บอกว่า กำลังอาจจะมีการเล่งในการที่จะก่อสร้างนะมีอาจจะเป็นประตูระบายน้ำนะครับนะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเมืองต่างๆเหล่านั้นก็คงจะต้องต้องดูนะครับว่ า, วาจะจะทำอย่างไรนะครับนะก็คงจะต้องดูนะครับแล้วก็มาดูในในความเคลื่อนไหวนในในส่วนที่ตอนนี้ใน ร, รัฐบาลในเร่งที่จะมีการ เก็บภาษีนะครับการขายของออนไลน์ของต่างประเทศในในประเทศไทยเราซึ่งตรงนี้นี่ครมอรก็บอกว่ากำลังมีการร่างพรบรภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเก็บภาษีจากบรรดาผู้ประกอบการหรือแพลตฟอร์มต่างประเทศส่งสินค้ามาออนไลน์นะให้คนไทยซื้อขายก็ คงจะเป็นอ e ีคอมเมิร์สอีบิวซิเนตที่ที่เรารู้จักกันดีที่เราสั่งซื้ อ, อสินค้าผ่าน อ, าอย่างทาง Google กับดีอะเมซอนนะครับนะหรือว่าในส่วนของอในส่วน อ, ออนไลน์ดังๆอื่นๆนะครับนะที่ที่เราสั่งซื้อกันมานะครับนะเพราะฉะนั้นนี้ตรงนี้นีต่อไปรัฐก็พยายามที่จะครอบคุมคือเก็บภาษีหลังจากที่เริ่มในการที่จะเก็บภาษี ผู้ประกอบการขายสินค้าออนไลน์ของไทยเราแล้วนะครับลายย่อยอะไรต่างๆนี่เพราะว่าตรงนี้นี่ก็ต้องต้องต้องดูนะครับว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนเนื่องจากว่ากฎหมายของเรานี่อาจจะครอบคุมไปไม่ถึงต่างประเทศนะครับจะจ ะ, จะทําอย่างไรนะครับที่ให้เข้าได้มาเสียภาษีก็อย่างที่เรารับทราบกันดีนะครับว่ากันซื้อขายของออนไลน์นี่บางครั้งในภาษีนี่อาจจะเก็บกันได้ยากนะเพราะเป็นเป็นเรื่องของการทําธุรกรรม ส่วนตัวนะครับระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยนะโดยใช้ผ่านทางแอปพลิเคชันต่างต่างนะครับซึ่งก็ทำให้รัฐเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คงจะตรวจสอบกันไ ด, ได้ค่อนข้างจะยากเหมือนกันแต่ว่าคงจะต้องดูลเลยครับว่าจ ะ, จะจะทำได้หรือไม่นะครับเพื่อที่จะทำเพิ่มรายได้ขึ้นมานจากรายได้ที่เรา ต้องต้องเร่งทําในช่วงนี้นะทั้งดังด้านการท่องเที่ยวก็ดีทั้งด้านอื่นๆนะครับเพิ่มรายได้ขึ้นมาก็จะทําให้ประเทศฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจที่กําลังเผชิญอยู่สํำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วในชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันดร์กุลทานันต้องขอลาท่านไปก่อนและพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ปหัวใจเจียนแย่ยแผลใจแผลใจมันกำเริบเสศสารอพี่รอนุพยาบาลรอพี่รอนุ่มพยาบาลพี่ต้องการหารักรอพี่ร อ, าาอ ร, รักมาเป็นยา ที่ ร, รักเป็นยาจังไยอจนอยันนี้แล้วรักจะมีได้อย่างไรพอจะมีรักแล้วต้องร้องไห้ ร้องแต่ความเงียบเหงาคนอย่างเราเศร้าจนพลื้อ สาม